พระธรรมเทศนาแผ่นที่107รดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าวางแผนฆ่าความชั่วออกจากใจอ า, พ ร, ราพระลูกพระหลานอยู่ในความสงบศรัทธาญาติโยม หลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดหลายวันออกวัดตั้งแต่วันที่22เที่ยงกลับมาเมื่อวนันวันที่25กลับมาถึงวัดเกือบสองทุ่มนะสองทุกว่าไม่ใช่สอ ง, สองเกือบสองทุ่มสองทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ไปศาสนากิจหลายอย่าง ล, ลูกลาน เกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะส่วนหนึ่งเนื้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์ละวันนี้เป็นวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560นะที่หลวงพ่อไปอินโดนีเซียนะูกลานคณะทารยายโยมนะอาจารย์พ่อครนะูที่นั่งท้ายายมือของหลวงพอ่อท่านมาเมื่อวนันวันก่อนมา วัดหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อกลับมานี่ท่านไปอินโดนีเซียจะให้ท่านเป็นเป็นผู้พรีเซนต์เป็นพระเอกดาราวิธีไหว้พระกราบพร ะ, ะกราบยังไงจันพูนเป็นผู้สาธิตให้พี่น้องชาวอินโดนีเซียเมืองเมดานโอ้ <Yeah. S 1> คนในห้องประชมุมทั้ง3 5มพันห้าร้อย รวมทั้งคณะกรรมการเหนือนอกจากเก่าอีกยืนอีกต่างหากหลวงพ่อว่าคงจะป่าเข้าไปทั้ง4ี่พันคนมัง่งวันนั้นคนมากนะเพราะประเทศเขาใหญ่ฮะอินโดนีเซียนี่สองร้อยเ็ดสิบล้านนะเกินกว่าเมืองไทยทั้งสองสามเท่าสามสีเท่าเพราะไม่ให้เขาขนเขามาก เห็นคนเท่า น, นั้นแหะเราก็เห็นโอ้คนมากนะแต่จะคือจะเป็นคนมากก็เถอะนะแต่ไม่ใช่หมู่พวกเพื่อนของเราไม่ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนเราก็ยังมองอีกมุมมองหนึ่งเห็นคนมันมากนะแต่นี่เราเห็นว่าผู้สนใจ ฝ, ฝ่ายธรรมะเป็นพุทธบริษัทศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรา ที่ว่ามากมากคือจุดนี้แหละจุดที่ว่าคนสนใจไฟธรรมะนะที่เขามานั่งฟังการสาธิตและวิธีการแนะแนวเพราะคนเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวคนจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดรอบรู้มีปัญญาขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมีชัย่าเกิดมามาแล้วก็เอาไปขังไว้ในห้อง กระจกอะพอใหญ่ขึ้นมาแลยให้อยู่คนเดียวเอาอาหารให้ทานดูเขาไปรักษาเวลาเข้าไปก็ไม่ต้องพูดต้องสอนต้องกล่าวละให้เขาอยู่ตามลำพังแต่เป็นม น, นุษย์ฮะพวกเราคิดดูสิจะฉลาดไหมคนคนนั้นทีนคนเกิดมาคะนั้นจะสมบูรณ์ขนาดไหนก็อะไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเสี่ยมสอนไม่ได้รับการแนะนาจาก พ่อจากแม่จากผู้เกี่ยวข้องจากครูบาอาจารย์จะฉลาดไหมถึงหัวจะใบขนาดไหนก็เถอะมันคิดไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการศึกษ า, าวิชาในโลก เ, เรียนกันมาไม่รู้กีก่ทอดกี่ชั่วอายุมนุษย์เรียนทอดทอดกันม า, าแต่ ถึงจะเรียนเป็นวิ ช, ชาก็าเถอะแต่ในตัวของแต่ละคนออต้องมีชาวนะอีกต่างหากนะตัวนี้แหละตัวชาวนะตัวนี้ในตัวคนอีกถึงจะสอนวิ ช, ชาให้ขนาดไหนก็เถอะถ้ารับไปก็นะั้นไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับเอาเพชรนินจินดาหรือทองคำให้ทั้งแท่งไม่รู้จะทำยังไง พอในสู่กระโยนทิ้งออเพราะอะไรเพราะมันรู้จะทำไงมันหนักนะนี้ก็เกิดวิชาความรู้เหมือนจุดนี้ก็เหมือนกันอถ้าตัวเองมีชาวว น, นะเอ๊ะได้ทองคํามาแล้วเราเราจะแปลรูปยังไงนะเราจะเอาไปหาใครอเราจะไปตัดอทอนอยังไงให้มันเบาแล้วเอาไปขายออะมีชาววนาแล้วนะนะอันนี้ก็คือวิธีการนี่ก็เหมือนกัน พวกเราเกิดมาต้องอาศัยการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่เราพวกที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้ น, ตนเกิดมาเอาไว้ในห้องกระจกตู้กระจกให้อยู่ตามลําพังให้อาหารให้ทุกอย่างเข้าไปตรวจแต่ไม่ต้องสอนวิชาให้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 มีเหตุผลไปในทางไหนไปทางดีและไปทางเร็วฟังดูแล้วนะและภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจผ่านความสงบจิตใจผ่านความเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอกีกอย่างทีท่วนอันนี้เป็นปัญญาพระอริย เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่จะตัดกิเลสราคาโทสะโมหะตัดความชั่วออกไปจา ก, ก จ, จิตใจนี่แหละคือภาวนามยะปัญญานี่นี่แหละอันนี้คคือหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะอาสงอันนี้สงแห่งการได้การศึกษานะผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจจะเข้าใจเสียงนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังหลักเหตุผลก็ได้รับความบรรเทิงทางด้านจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นเข้าใจในเนื้อหาสารธรรมจิตใจผ่องใสพอได้ฟังอัดฟังธรรมนี่แหละการฟัง ท่านจึงย้ําเป็นพุทธภาษีว่าสุสัสงรัตเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งนั้นแหละพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ถ้าว่าพวกเราไปอยู่ตามลําพังไม่ได้รับการศึกษาอยู่ไปท่าใดก็โง่งไปเรื่อยๆนะเพราะฉนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังครั้งนี้บางคราวหน้าบางครั้งไหนต่อครั้งไหนบางปถุถุจตปฏิติดปต่อ เมื่อสอนแล้วเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนท่านได้อะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนสัตวะโลกทั้งหลายท่านได้อะไรขั้นเข้าเข้าสู่นิพพานไปแล้วมีจะได้ชื่อแบบพระพุทธเจ้าเท่านั้เองท่านก็ไม่ได้รับรู้รับทราบอะไรอีกต่างหากแต่เมื่อเรานำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประพฤติธปฏิบัติแล้วเป็นสมบัติของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรในพระธรรมคําสอนนั้นให้ทานนะมีการเสียสละต่อกันนะให้มีก ฎ, กฎกติกาต่อกันนะให้คิดในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนะสัมมาทิฏฐินะเฮอันนี้คือหลักใหญ่จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก่อนแนะนําสั่งสอนพวกเราอีกมาถ่ายทอดให้พวกเราอีกแล้วหลวงตามหาบวัวแล้วหลวงปู่มั่นนะแล้วหลวงปู่ลาะท่านได้อะไรจากเราจากหลวงพ่ออิน ฉัานได้อะไรท่านไม่ได้อะไรอีกต่างหากแต่หลวงปู่อินได้ไม่ได้ได้ความรู้จักองค์ท่านเหล่านั้นที่นำมาแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวจากทุกวันเนี่ยไปนักสถานที่ใดไม่อับไม่จนไปนักสถานที่ใดแสดงความคิดเห็นได้ทุกหัวละแห่งทุกระดับเราได้มาจากใครก็ได้มาจาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งแล้วจากนั้นมากับตัวเองนำมาคิดมาที่ว่าภาวนามยปัญญาจินตามพยัญญามาพิจารณาการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านทั้งหมดนั้นท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นเมื่อได้มาแล้วแนะนําสั่งสอนถ่ายทอดออกไปอีกเพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา ในเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาก่อนนําเมื่อได้ยินแล้วก็นํามาการกล้องอจินตามยะปัญญาอีกมีเหตุผลไหมที่หลวงพ่อ พ, พูดให้ฟังแต่ละวีแตละ ว, วันแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่ได้ยินได้ฟังแล้วปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านอีกนํามากันกล้องอีกบรกลัยกลองเสร็จแล้วพว ก, พวกท่านท่านละนําไปประพฤติปฏิบัติ ก็เป็นสมบัติของพวกท่านอีกต่อไปพวกเราพวกท่านอยู่นัตสถานที่ใดอยู่นัตสถานที่ใดไปนัตสถานที่ใดเอาตัวรอดได้เพราะหไหรเพราะอาสายการได้ยินได้ฟังอ้สายการศึกษานี่แหละสรุปแล้วก็คือโค้งมหาชื่อว่าเอธิสงแห่งการฟัง่ะผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างที่ว่านี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านลูกหลานทุกคนนะสถาญาติจูง ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่หลวงพ่อไปในช่วงนี้หลวงพ่อก็จะแนะบอกว่าในช่วงเทศการเข้าพรรษาเนี่ยเราควรจะวางแผนฆ่ากิเลสฆ่าความชั่วออกจากกายวาจาใจของเราความชั่วสิ่งไหนที่มันชั่วนคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วรู้ไหมชั่วถ้าพวกเราได้ศึกษา จากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากเทพจักนังสือของหลวงพ่อแล้วนะ่ะพวกเราก็คงจะมองได้ว่าอันไหนคือชั่วพวกเราคงจะจัดการออกจากกายว า, ายใจใจของเราชําระออกสิ่งที่มันชั่วนี่แหละวางแผนฆ่าความชั่วออกจากใจในพรรษานี้อย่างพระจักครูบาล ท่านพาหมู่คณะไปทั้งสามสิบองค์ไปอยู่ในป่าไปหาวิเวกปีดปีกวิเวกท่านก็ไปภาวนาเอาเในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะเอาอริยบทสามยืนเดินนั่งจะไม่นอนจะไม่เอนกายโดยเด็ดขาดในพรรษานี้นี่แหละที่หลวงพ่อพูดว่าในพรรษานควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีตัวอย่างนะ ที่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเป้าเป่าๆพูดหลมๆแรงๆไปเรื่อยๆไม่ใช่ต้องมีเหตุผลมีหลายหลายเรื่องที่จะขันสนอให้ข่ากิเลสถึงที่มันชั่วในพรรษาเนี่ยเพราะท่านพระจั ก, กุบาลก็บอกในพรรษาเนี่าพระเจ้าจะภาวนาจะเอาจะเอารียบทสามยืนเดินนั่ง จะไม่นอนเด็ดขาดจะไม่เอ็นกายเด็ดขาดพอออกพรรษาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันในตํำรับตาราในพระไตรปิฎกในธรรมปฏิทักษะแล้วพวกเราละ่ะในพรรษานควรจะเอาอะไรอย่างพระน้อยพระหนุ่มก็เหมือนกันเอาเถอะในพรรษานี้เข้าไปเจ้าจะท่องปฏิโมกให้ได้ท่องสวดมนต์ให้ได้หรือว่าจะ เนี่อถือเนเชชิทุกวันพระที่เป็นวันพระนะหรือจะนั่งภาวนากี่ชั่วโมงวันแต่ละวันจะเดินยองกลบยังไงจะนั่งภาวนายังไงจะเล่นความภาคเพียรอย่างไงสิ่งที่มันดีนะจะไปสิ่งที่มันชั่วจะไปตั้งคําสัตว์นะข้าพเจ้าจะคุยกันทั้งวันนะข้าพเจ้านอนทั้งวันนะอันนั้นคือสิ่งที่มันชั่วใช่ไหมมันได้ประโยชน์อะไรอถ้าไปตั้งศัจธาอย่างนั้นไปหด ตั้งจติตตะไปในทางที่เลวที่ชั่วนะอันไหนดีรู้ไหมมาศึกษาแล้วต้องรู้อันไหนดีเราจะฉันให้น้อยเราจะฉันอดอาหารบ้างเป็นบางการแต่ว่าตามม่จิงการอดอาหารไม่ควรจะตั้งคำสัตย์นะบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็บางทีงทงทมันภาวนา ไม่ไปในะบางครั้งนะตรงพ่อเคยทำมาแล้วเออเข้าไปเจ้าจะอดอาหารสักเจดวันคราวนี้พอภาวนาวันแรกโอ้โหมันไม่สงบเลยกระเด็นกระดอนอยู่ต่อไปมาจะเป็นบ้าตายอีกต่างหากเลเอผลใน่สุดนั่นนหะเอยู่แบบชังกระตายเจ็ดวันพอได้แล้วออกมาตรงพ่อเลยการอดอาหารไม่ควรจะตั้งคำสัตย์ ควรจะอยู่เป็นวันๆอาเข้าไปเจ้าจะอดอาหารถ้าเป็นถึงวันไหนกขาวันนั้นแต่แตเข้าไปเจ้าจะดูสติไม่ให้ขาดในขณะที่อดอาหารเน่ยข้าไปเจ้าจะพูดให้น้อยที่สุดคุยให้น้อยที่สุดไปหาใครให้น้อยที่สุดในขณะที่อดอาหารเข้าไปเจ้าจะตั้งตั้งใจภาวนานเนี่ะถ้าจะมีความสัตย์ก็คงจะมีคําสัตย์ลักษณะอย่างนี้นะอย่างนั้นก็เราก็ภาวนาไปเรื่อยนี่แหละ สำหรับสทาญาิโจมก็เหมือนกันในพรรษาเนี่ยควรจะทำอย่างไรที่หลวงพ่อไปพูดในกรุงเทพเมื่อกี้เนี่ยไหว้ข้าไปเจ้าเจาวไหว้พระก่อนนอนทกวันไม่ให้ขาดทำวัดเช้าถึงจะได้จะ阿拉หังสวาสดิโตสุปฏิปัโนแล้วก็น้ำโอตสาะพุทธทงทังทำมางสังขังได้ขนาดนี้ก็เอาแต่อย่าให้ไม่ให้ใหขาดตอนเช้ามาก็อือ 阿拉หังสวาคะ โ, น โ, น โ, โ, โ, โตสิปุตปฏิปโนนโมนโมตระสะพระเกวาโตนสามจบ<笑>อ้าวแต่ถึงไม่ให้ขาดเพอเราตั้งสัจจะแล้วนะถ้าไม่ตั้งสัจจะขาดนะอมันจะทะเ ล, ะละทลายถลอกไปเรื่อยติเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ผลให่จุกก็เลยถ้ามันขาดแล้วทําไงหลวงพอ่อถ้ามันขาดลกลับมาวันพนุทธธรรมสองครั้งเบิ้ลสองซ้อนสองอีกทําแล้วทําอีกถ้ามันขาดสามวัน ทำถึงสามครั้งติดต่อกันทำไมมันขาดนะนี่แหละในพรรษาดอดสินห้าบังสินอุบโสดบังกัสุดแทแต่พวกเรานะที่พวกเราได้ศึกษาได้ฟังมาแล้วนะสรุปแล้วก็คือให้มีสัจจะนะที่หลวงพ่อย้ำคำนีก็คือให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจไม่ใช่ว่าวันไหนกับ ว, วันเก่า เลื่อนๆไปเลยๆพน้นสุดหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้เลยเป็นคนโลกเลอะล้มเหลวไปเรื่อยหาจุดยืนไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะในพรรษานี่แล้วก็พร้อมการพวกนาคที่จะเข้ามาบวชทั้งหมดหลวงพ่อดูๆถามๆดูปีนี้ผงพระใหม่ก็คงได้สนะิบสามนะก็พอเหมาะแล้วละ่ะแต่หลวงพ่อ ก, กะเกณฑ์ไว้แม่เกินสิบห้าแต่ละปีนะสิบสามกับพอเหมาะแล้วละ่ะทําไมจะให้ไม่ให้มาก จำกัดเพราะว่าพระเก่าน้อยนะพระใหม่มากนะมันคุ้มกันไม่อยู่เพราะพระใหมนะ่เคยทางโลกมาแล้วอยู่ทางโลกมาเพินเพจะเอาวิชาทางโลกมาสอนพระเก่าอีกพระเก่าก็เลยเสียหายพระเก่าต้องมากเกินครึ่งต่อครึ่งต้องมากกว่าสองสามเท่าพนระใหม่ดังนั้นตรงพระใหม่เข้ามากเพื่อการศึกษา วิชาทั้งโลกเราเรียนมาพอแรงแล้ววิชาทั้งโลกคืออะไรเข้ามาเข้ามาเรียนวิชานี้มีมาเรียนวิชานี้เราก็ต้องมาศึกษาในวิชานี้แต่วิชาทั้งโลกนะรู้มาแล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะเฉยยิมภูรู้หมดทุกอย่างทุกวิชาในโลกนี่ไม่ใช่นะวิชาแต่ละวิชามันมี ถึงเราจะเก่งขนาดไหนดุ๊กเตอร์ขนาดทางนี้ก็เถอะนะแต่เราก็ต้องไปเรียนวิชาอีกวิชาหนึ่งที่เรายังไม่รู้นะมันมีต่างแ ย, แยะวิชาในโลกนะเพราะนั้นการเข้ามาบวชก็เหมือนกันนะเข้ามาเพื่อการศึกษาเรียนรู้หลักของพวกพุทธศาสนาเรื่องหลักพระธรรมคำสอนหลักพระธรรมวินยัยกฎระเบียบพระสงฆ์อยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างนี้ ท่านรักษากฎระเบียกบกติกาอย่างไรแล้วก็พวกพระพี่เลี้ยงก็เหมือนกันทําตัวให้เป็นตัวอย่างให้พวกน้องๆได้เห็นอันไหนที่มันไม่ดีอย่าไปเอาอืให้พวกที่เข้ามามาใหม่เพราะเองตัวเองชั้นดานที่ไม่ดีอยู่แล้วน่ะเอาเรื่องเกา่เกาๆเร็วๆมาสอนให้พระใหม่พน้นในสุดเลยเละตุ่มเปะไปหมดถ้าฮวาเรารักษาดีรักษาวิธรรมวินัยดี เราเข้ามาศึกษาศึกษาจากหลวงพ่อหลวงพ่อสอนอยังไงทาร์ลุงก็สอนอีกอย่างนึงตัวเองหลบห ล, ลีกเล็กเกสั้นๆแล้วก็ไปชักชวนให้พวกพระใหม่เข้ามาปฏิบัติตามตัวเองเร็วๆอีกต่างหากเสียหายเหมือนกับลูกพ่อหลายคนลูกพ่อแม่หลายคนพ่อเนี่สอนให้ลูกเป็นคนดีลูกต้องเป็นคนดีนะ ต้องเป็นผู้สื่อสา์นะต้องจัยเจเรียนหนังสือนะต้องมีสัมมาคารวะนะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะลูกนะสอนแต่ลูกชายคนโตเนี่ยเป็นเกเรนักเลงใช่ไหมส่วนในสุดพาน้องๆถ้าพอมาอยู่นะไปหาลักไข่เข้ามาต้มเสร็จแล้วไปหาซื้อเหล้าเข้ามากินตั้งวงกัน แล้วสิ่งที่มันเร็วที่พ่อสอนนั้นไม่เอาแต่พอเข้ามาหาหน้าพ่อนี่ยอยู่เน้งเหมือนกับเป็นคนดีแต่พลในสุดพ่อออกจากหายจากหน้าพ่อไปนั่นอะไปชวนน้องๆไปไปเล่นไพ่บางเนื้อเสียงที่มันเร็วๆนะเอามาสอนน้องๆหมดแปลว่าลูกชายที่สอนคนโตนั้นทำให้เสียหายในตระกูลเอพลเอสุดเลยทําให้น้อง เกเรเสียหายไปหมดพ่าอะไรเพราะพี่ที่มาก่อนมาเรียรับการศึกษาดีแล้วนะไม่เป็นตัวของตัวทําให้น้องๆเสียหายทําให้วงการเสียหายทําให้ตระกูลเสียหายนั่นแหะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นพวกน้องๆถ้าเข้ามาใหม่นะบอกหลวงพ่อนะรุ่นพี่องไหนที่ทําออกนอกลูก่นอกทางกระชิบกระซาบหลวงพ่อ หลวงพ่อจะหันทันทีนะไล่ออกจากวัดไม่ว่าในพรรษานอกพรรษานะพอหลวงพ่อสอนดีแล้วสอนพระรุ่นใหญ่นี่ดีแล้วนะไม่รู้กี่ปีวิชาความรู้ที่หลวงพ่อให้นะไม่มีกเมืองอยู่ในอาจารย์ถ่ายทอดให้ทั้งหมดวิชาที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ลูกน้องออกไปใช้แล้วเสียหายนั่นนะ แปลว่าเสียหายวงตระกูลไม่ไดีแล้วขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการทั้งนี้ทั้งนั้นพูดใดทา่นทานนั้นเป็นแนวทางยกตัวอย่างให้ฝังถ้ามันเป็นอย่างนั้นเสียหายถ้ามันดีแล้วกว็ดีไปเป็นสง่าราศีเป็นพวกเราอยู่ด้วยกันมากน้อยจะมีแต่ความสงบร่อมเห็นผาสุขอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในหลักพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้านะนั้นขอให้พวกเรานะ ภาเนทุกองในทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้เข้ามาบวชใหมกับบวชมาอะไรบวชมาเพื่ออยากจะได้บุญบุญคืออะไรบุญคือความสุข ก, กายสุขใจเราจะได้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณสำหรับเราด้วยพ่พอแม่ปู่ย่าตายายของเราที่เลี้ยงดูเรามาเอาเถอะเราทำอย่างอื่นเราก็ทำแล้วบัดนี้เราจะได้บวชเพื่อเป็นการ อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของเราเนี่ยเราก็ทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติเดินโยกมนั่งภาวนานี่แหละไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเกินกว่าการบวชแล้วก็นำภาวนาและอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะได้รับความได้บุญได้รับบุญกุศลจากพวกเราท่านจะมีความสุข ก, กายสุขใจ ในปรลโลกของท่าน ท, ที่ท่านเป็นอยู่นะอันนี้ก็คือการบวชของพวกเรานะไม่ได้คิดอย่างอื่นนะทดแทนพระคุณนะพวกท่านเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงดูเรามายากก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้นะขนาดไหนพวกเรามองดมองเด็กก็ได้เราก็เหมือนเด็กสนมะไมก่อนแต่บัดนี้เราเลี้ยงเด็กเป็นยังไงพ่อแม่เลี้ยงดูเราก็อย่างนั้นนะไม่แพ้กันนะ เพาะนั้นพวกเราต้องสำนึกวิวค่าพระเจ้าจะเป็นคนดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไมห่หนักใจพ่อแม่อีกจะไมห่หนักใจผู้ที่อยู่ครูบาอาจารย์ที่เราพึ่งพาอาศัยจะไปอยู่กับใครก็ตามเราจะไม่ให้ผู้ใดใครพูหนึงหนักใจกับเรานะต้องตั้งใจนึกในใจอย่างนั้นค่าพะเจ้าจะเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นพวกเราต้องคิดอย่างนั้นนะ อตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์จะาหนุมทนาให้พรรับพร น, น, นั่นสินะ